มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคทัปนิยะพยากรระปัญหาที่สองถามว่าที่ทรงตรัสว่าพระองค์สอนธรรมไม่ปิดบงังเหตุไรพระเถระผู้เป็นบุตรแห่งมาลังคาพรามณีถามปัญหา จึงไม่วิสัชนาเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปริชาพาสิตังเจตังพะขวตาสมเด็จพระชินเนรทราธิบดีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าตถาคตนี้จะปิดบังความเป็นอาจารย์สั่งสอนทำหามิได้ คือพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นอาจารย์บอกธรรมครนานมาเล่าพระเถระเจ้าผู้เป็นบุตรแห่งนางพรามณีชื่อว่ามาลังคาทูลถามอัธปัญหาพระองค์เจ้าก็ไม่ได้ทรงวิสชนาพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบไปด้วยปรีชาเอโสปันโโหอันว่าปัญหานี้ อาศัยเป็นแท้แต่ส่วนทั้งสองคือมีสองแง่ไม่แปรผันอาชานันเตนะวาเป็นเพราะพระทถาโคตเจ้าไม่ทรงทราบจิงไม่แก้หรือคุยหกะระณนวาหรือว่าเป็นเพราะพระบรมครูทรงทราบอยู่แต่ไม่วิสชนะด้วยมีพระพุทธประสงค์จะปิดบังห่วงแหนพระธรรมนี่แหละ ปัญหานี้อาศัยอัดสองประการนี้เป็นแท้ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระมุนินปิ่นกล่าวตรัสไว้ว่าพระองค์เป็นอาจารย์บอกธรรมไม่ปิดบังห่วงแหนฉะนนพระองค์จึงไม่ทรงแก้ปัญหาของพระเถรราเจ้าผู้เป็นบุตรแห่งมาลังคาพราหมณีเล่าหรือพระองค์ไม่ทรงทราบจึงไม่ทรงวิสัชนาะเมื่อพระองค์ทรงทราบอยู่แต่ไม่ทรงวิสัชนาะถ้าเช่นนี้ พระองค์เป็นอันปิดบังห่วงแหนธรรมนี่แหละปัญหานี้เป็นอุพตโตโกตินี่มนตพระผู้เป็นเจ้าโปรโดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้พระนาคเษนเถระจึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระพิชิตมาตรัสว่าพระองค์เป็นอาจารย์บอกธรรมไม่ปิดบังห่วงแหนพระองค์ตรัสชะนี้ ครนานมาพระเถระเจ้าผู้เจ้าบุตรนางมาลังคาพระมณีทูลถามปัญหาพระองค์ไม่ทรงวิสัชนาให้แจ้งซึ่งพระองค์ไม่ทรงวิสัชนานั้นเพราะพระองค์ไม่ทรงทราบก็หามิได้หรือพระองค์ทรงทราบก็หามิได้หรือพระองค์ทรงทราบอยู่แต่ไม่ทรงวิสัชนาด้วยมีพระประสงค์จะปิดบังห่วงแหนพระธรรมก็หามิได้ มหาราชาขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐจตาริมานินลักษณะแห่งการวิสัชนากล่าวแก้พยากรปัญหาพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้เป็นสี่ประการกะตามานิจตาริลักษณะแห่งพยากรสี่ประการนั้นเป็นไนะคืออันใดบ้างลักษณะแห่งพยากรสี่ประการนั้น เอกังสะพยาการณิโยคือเมื่อเขาถามมาต้องกล่าวแก้พยากรณ์ไปอย่างเดียวโดยแท้เรียกว่าเอากังสะพยาการณียะปัญหาประการหนึ่งวิพัฒชพยาการณิอยต้องหยิบแยกแจกออกกล่าวแก้พยากรณ์เป็นส่วนๆเรียกว่าวิพัฒชพยาการณียะปัญหาประการหนึ่งปฏิปุชฌาพยาการณิโยต้องอนุโยก ย้อนถามเสก่อนแล้วจึงกล่าวแก้พยากรณเรียกว่าปฏิปุ ช, ชาพยาการณียปัญหาประการหนึ่งทัปนิโยปัญหาอันใดถ้าพยากรณ์ไปมีแต่โทษหาประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องงดเสียไม่พยากรณ์เรียกว่าทัาปนิยะปัญหาประการหนึ่งสริเป็นสี่ประการด้วยกันชนีกะตะโมจะมหาราช เอกังสะพยาการณโยดูรานะบวพิธผู้ประเสริฐปัญหาเช่นไรเล่าเรียกว่าเอากังสะพยาการณยะปัญหานามรูปังอนิจจันติเอกังสะพยาการณโยขอถวายพระพรคือปัญหาที่ถามถึงสิ่งที่ควรจะแก้ได้โดยสะดวกไม่ยากเย็นอะไรเช่นถามว่านามรูปไม่เที่ยงหรือ เวทนาไม่เที่ยงหรือสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงหรือดังนี้เรียกว่าเอกังสะพยาการณียปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องกล่าวแก้พยากรณ์ได้ส่วนเดียวกะตะโมวิพัชชะพยาการณโยปัญหาเช่นไรเรียกว่าวิพัชชะพยาการณียปัญหาอะ น, นิจังรูปันติ วิพัฒชพยาการณิโยขอถวายพระพรคือปัญหาที่ถามกลับลักษณะถ้อยคําเช่นถามว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แก่รูปหรือได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือดังนี้เรียกว่าวิพัฒชพยาการณียปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องหยิบแยกออกกล่าวแก้พยากรณกาตโมปฏิปุจ ช, ชาพยาการณิโย ขอถวายพระพรปัญหาเช่นไรเรียกว่าปฏิปุชาพยาการณิยะปัญหากินนุขโขจากขุนาสันหนังวิชานาตีติขอถวายพระพรคือปัญหาที่ควรจะซักไซไล่เลียงเสก่อนแล้วจึงจะกล่าวแก้เช่นถามว่าบุคคลย่อมรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ทั้งปวงด้วยจักขูแลหรือดังนี้ เรียกว่าปฏิปุจชาพยาการณิยปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องอนุโยกย้อนถามให้ได้ความแจมแจ้งเสก่อนแล้วจึงกล่าวแก้พยากรณ์ต่อภายหลังกะตะโมทัปนิโยขอถวายพระพรปัญหาเช่นไรเรียกว่าทัปนิยปัญหาสัตโตโลโกติถัปนิโยขอถวายพระพร คือปัญหาที่ถามถึงเหตุภายนอกพระศาสนาอันหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ควรจะกล่าวแก้เช่นถามว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือโลกมีในระหว่างหรือโลกมีในอากาศอันไม่ใช่ระหว่างหรือโลกมีในระหว่างและโอกาสไม่ใช่ระหว่างหรือโลกไม่มีในระหว่างและโอกาสไม่ใช่ระหว่างหรือโลกจะมีในระหว่างก็ใช่ ในโอกาสอันมิใช่ระหว่างก็มิใช่หรือชีวิตเป็นอย่างอื่นหรือเสียระเป็นอย่างอื่นหรือเบื้องหน้าแต่นิพพานแล้วพระธถาคตมีอยู่หรือพระธถาคตไม่มีหรือพระธถาคตมีหรือไม่มีพระธถาคตจะมีก็มิใช่จะไม่มีก็มิใช่เช่นนั้นหรือปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมานี้และเรียกว่า ถับปัญญะปัญหาเป็นปัญหาควรงดเสียไม่ควรจะกล่าวแก้พยากรณมหาราชาดุราณะบพิษพระราชสมภารพระเถระเจ้าผู้มาลังขบุตรทูลถามถับปัญญะปัญหาดุดวิสัชนามานี้สมเด็จพระชินสีจึงทรงงดเสียไม่กล่าวแก้ด้วยทรงเห็นว่าถึงแม้จะกล่าวแก้ก็ไม่มีเหตุการณ์อันใดที่จะแสดงปัญหานั้น เป็นอันหาผลหาประโยชน์ไม่ได้เลยดูราณะบพิษผู้ประเสริฐประการหนึ่งเล่ามหาราชาขอถวายพระพรสมเด็จพระมุนินทร์บรมโลกุตามาจาร์เมื่อไม่มีเหตุมีการแล้วพระองค์จะมีพระดํารัสนั้นเป็นอันว่าหาไม่ได้ต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยแล้วพระองค์จึงจะมีพระดํารัสตรัสออกไปขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงสดับดังนั้นก็สิ้นสงสัยมีพระทายโสมนัสปรีดาตรัสว่าสาธุพันเตข่าแต่พระหน้าเกษณผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาถูกต้องหนักหนาโยมขอรับเอาไวด้ดุจในที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานั้นทุกประการในการบัดนี้ทะบรญยญพยากรณะปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้